รกรกฎาคมพุทธศักราช2560ัวันนี้หลวงพ่อฉันจงหันเสร็จแล้วคงจะได้ไปกราบคารวะหลวงปู่ทุยดงสีชมพูตามประเพณีก็ได้บอกพระแล้วละว่าองค์ไหนจะไปด้วยแล้วรถนะแล้วก็ผู้ติดตามก็ต้องถ้าจะไปก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องดูรถนะ ประวัทางไกลแล้วก็พระองค์โตไปเขาคงจะไปกอกสองเขาคงจะไปผาแดงนะกาบหลวงปู่ลีกอกที่สามาคงจะไปครวะตามประเพณีที่หลวงพ่อพูนาหลาว้องหลวงพ่อสดบ้างอันนี้ทีมใหญ่เพื่อได้พระใหม่นวา ก, กะจะได้เรียนรู้ ว่ากาบคารวะกูบาจานันนั่นเป็นยังไงทำพิธีอย่างไรเพราะนั้นถ้าจะไปทีเดียวไม่ได้ต้องเป็นละลอกละลอกนะเมื่อวานเขาไปครั้งหนึ่งแล้วละ่ะวันนี้คงจะไปอีกเมื่อวานหลวงพ่อใชออ้ร่างกายสังขาร คุ้มค่าจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยศรัทธาญาติโยมใช้แปลว่าทาว่าใช้รถก็แปลว่าใช้แบบสำบุกสำบันใช้แบบคุ้มค่าแต่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อใช้ยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อจะเรียงลำดับให้ฟัง พอฉันจังหันเสร็จเมื่อวานเลยเสร็จก็ขึ้นรถไปไปด้วยกันพระหา้าโยมสองเป็นเจดคนแล้วก็ไปทําธุระที่บ้านผืออำเภอบ้านผือเพราะไม่ได้ไปนานแล้วเกิดเป็นเดือนก็สองเดือนก็เลยไปทําธุระบ้านผือน้อยนึงพอเสร็จแล้วก็บนว่น โยมโสโ ส, โสชุรชาติป่วยเข้าก่อนท่านก็โทรโทรศัพท์มาหาโซเฟอร์หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปแต่รองผู้ว่าราชการแขวงวัดท่านสุชัยโทรมาอีกว่าท่านชุชอชออยากขอให้ขอกราบนิมนต์ไปเยี่ยมป่วยหลวงพ่อเ อ, อเออโทรมาอีกหลวงพ่อก็เลยไปเมื่อวานไปถึงนะประมาณสักสิบ ส1อดโมงขึ้นไปเยี่ยมท่านอยู่ที่ตึกของหลวงตานะ่นะตึกชั้นที่แปดเพราะตึกหลวงตามีอยู่สิบชั้นแนะชั้นที่แปดเป็นชั้นห้อง ICU, ไอซก็ไปกราบไปไปเยี่ยมท่านไปเยี่ยมโยมสสสุริยานเทีนแล้วก็โอ้ท่านก็ปีติน้ำตาหลังน้ำตาไหลพูดไม่ได้ของอะไรเต็มปาก ไปเยี่ยมเออเอาเข้มแข็งนะหายวะให้กำลังใจจากนั้นเขาออกมาไปวัดตูมทอง่ตูมทองนี่มีกลุ่มนายกอบตอบพออบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านจะตัดถนนเข้าไปเจดีของหลวงตาพูดคุยกันแล้วก็ยัง ไม่ตกลงอยากจะให้หลวงพ่อไปพูดคุยกับเจ้าของกับพร้อมหน้าพร้อมตากันหลวงพ่อเอืงเอาเป็นประโยชน์เพราะว่าถนนที่บ้านคำกลิ่นถนนแคบๆนะดูๆแล้วมันเข้ายากเหลือเกินเวลารถบัสสองคันไปก็แบบเบียดเสียดกันถ้าวาดสร้างเจดีย์ของหลวงตาเสร็จขึ้นมาแล้วนะ่ะอาจจะเข้าไปเนี่ยคงจะลำบาก คนมันจะหลั่งไหลเข้าไปกราบเ ย, ยดีลงตานะน่าจะมีถนนสายใหม่เส้นใหม่เขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปพูดก็ดูๆแล้วโอ้เจ้าภาพเป็นคนเมืองอุดรตั้งแต่ดึกดำบันเป็นคนเก่าแก่คุณโยมท่านก็มีจิตศรัทธาแล้วก็คุณหมออีกคน ให้สวายยาวเหยียดเลยแต่ก็ยังอีกหลายเจ้านะอันนี้เป็นเปิดประเด็นแรกเพราะมันติดถนนใหญ่ตรวนี้แหะคือจะต้องดินเป็นราคาเด่นดินเป็นราคาถนนใหญ่แต่พอเข้าไปแล้วก็คงจะถ้าว่าไม่เสียหายมากที่ดินก็คงจะเป็นประโยชน์เพราะถนนตัดผ่านที่นะอันนี้ยังคอยเจรจากันอีกทีนึง เจรจาไม่ได้ก็คงจะพับนะโครงการเพราะมาที่ดินของเขาไม่ใช่ดินเราและก็พร้อมกันก็เงินทางหลวงเขาก็บอกพร้อมที่จะทำแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อที่ดินมีเงินทําถนนนะทําได้เงินงบประมาณทําถนนได้แต่เงินซื้อที่ดินงบที่ดินไม่มีของงบรัฐบาลถ้ามีผู้บริจาคแล้วก็ทำได้ในลหลวงพ่อก็ไปเจรจาเมื่อวาน ก็ดีประสบผลสำเร็จนะหลวงพ่อโอ้ให้ได้บุญหลายๆคณะถัดทายญาติโยมลูกหลานออพอเสร็จแล้วก็เอาประชุมกันเรื่องจะเอาอะไรเข้าปพิพิธภัณฑ์อกีกปกลุ่มหนึ่งเข้ามา อ, อีกแล้วพอพอิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย อ, อ, อยู่ข้างในยังเนื้อหาสาระยังไม่มีหลวงพ่อก็นั่ง คุยสนทนากันหลายกลุ่มอกีกเอาเอารู้จักแนวทางล้แต่ก็จบไปเอกจากท่านามากราบท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณเทพประารังการ จ, ากจำชื่อพิทุถูกไมมทราบนะท่านามาคารวะท่านจะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ การละวัทันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับวัดแล้วปอนหาโมงล่ะมีพระโทรศัพท์มาหาพระวัดโพอีกเขบอกว่ามีพระผาแดงลุ่นน้องของหลวงพ่อที่เคยอยู่บ้านตาด้วยกันไปหยุ่ที่กาญจนบุรีมารักษาตัวอยู่ที่รามาพอมรณภาพเสร็จแล้วก็สั่งเสียให้มาเผาที่วัด หลวงปู่ลีผาแดงเคยจำพรรษาที่นี่เขากอาศพขึ้นมามาถึงประมาณห้าเกือบ6กโมงพอมาถึงหลวงปูล่ลีเอา้าเก็บไว้ทำไมพระตายแล้วทำปลาส้มไปจอมปลาลากินก็ไม่ได้พระเผาโูคผาโอ้ยหลวงปู่ขอเป็นวันพุ่งนี้โดยเทินก็เงียบไปพออีกสักพักหน่จะไว้ทำไมเผา พอาะไ่สดก็เลยดิผ้ากันไม่ยูจเอาใจะเอาเผาก็เผ า, เาแล้วหลวงปู่บอกให้เผานี่ก็เลยโทรมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยอืมท่านอาจารย์จะได้ไปไหมเพราะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ท่านอิฐมานะหลวงปู่ลีไอ้ท่านสักนะโทรมาแล้วก็ท่านเตรียมผ้าไว้ท่านเตรียมผ้าไว้ถวายด้วยเนี่ยผ้าไหมเนี่ยผ้าบางสกุลท่านเสกเนี่ย ผ้าทั้งเจ็ดิบกว่าเม็ดนะหลวงพ่ออืมเออน่าสนใจไว้ยแต่แต่หลวงพ่อไม่ได้คิดคิดไปเอาผ้าหรอวะหลวงพ่อก็คิดว่าท่านเสงนี่ยเคยอยู่ด้วยกันที่บ้านตาดฮะแล้วก็เป็นน้องนุ่งของหลวงพ่อสามสิบกว่าพรรษาแล้วพอปีหลวงพ่อออกมาท่านก็เข้าไปปีสองสี่ใช่ไหมล่ะ จำพรรษาร่วมกันปีสองห้าเนะี่ยหลวงพ่อก็ออกมาให้เขาตั้งแต่ปีขั้นโกจะท่านเคยบววัดสโสการามหรืออะไรนะี่ะหลวงพ่อก็จำจำไม่ชัดนะสรุปแล้วก็ปวดมาตั้งแต่ปี2 3 2สาสองส่นะพูดง่ายง่ายจนมาถึงปีห0ศนยเนี่ยนับสินับข้อมือเลสิสสิกว่าปีนะพรรษาของท่านมากอยู่แต่รุ่นน้องรุ่นรุ่นน้องของหลวงพ่อ หลวงพ่อออกมาเลก็สิบแปดพรษาเลยเนี่ท่านก็เพิ่งบวชใหม่แต่โ่้เมื่อวานก็เลยพอไปถึงเลยพอจอดรถปุ๊บก็เขาก็หามหามเห็บศพผ่านหน้าไปขึ้นเมนเขากนในมนฑหลวงพ่อไปนั่งรอเจ้ากรับหลวงพ่อเลยไปนั่งศาลาชั่วคาวนะวะาลาเต็นท์ น้องหนุ่งทางไล่ามากราบเอเออ้าวสุขสวัสดีน้องนุ่งทางหล า, า่หลวงพ่อเนี่เป็นนั่งหัวแถวได้เออเป็นหลว ง, งพี่ของหมู่พวกเพื่อนแล้วงั้นเหรอเออเห็นหน้าเห็นตาหลายองค์เออเลยก็ถามถ่ายกันจากนั้นก็เลยพอได้เวลาก็อนมนั่งไม่ถึงไม่ถึงห้าสินาทีมั้งประมาณสีห้านาทีพอนั่งเอาก้นมนลหลวงพ่อไปชักบางตะกุล หลวงพ่อก็ไปชักบังสกุลเป็นองค์เดียวเนาะองค์แรกองค์เดียวเสร็จแล้วชักบางสกุลในหน้าศพหีบศพเรียบร้อยแลย้วกันเขาก็จุดไฟให้หลวงพ่อเลยให้หลวงพ่อเป็นผู้ประชุมเพลิงหลวงพ่อก็เลยเป็นเป็นคนจุดไฟเมื่อคืนเนี่ยพอจุดไฟเสร็จแล้วก็ควันโอบอบอวนหลวงพ่อก็ถอยหลังออกมาเลยมาพูดคุยกับผู้ที่มาข้างรถแล้วก็ขึ้นรถ กลับมาเลยเมื่อคืนเนี่ยกลับมาถึงวัดเกื อ, กอบสีทุ่มสศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานเนเวันนี้ก็จะได้ไปตรงสีตรงภูอีกฉันจะหันเสร็จนี่แหละหลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อใช้สังขารใช้ร่างกายสังขารใช้รถของหลวงพ่อนี่ท้อคุ้มค่าจริงๆเมื่อวานเดียวกันนหนึ่งไปทำธุระบันผือ สองไปเยี่ยมโยมป่วยสามไปประชุมเรื่องที่ดินผู้ที่ดินสี่เรื่องพิพิธภัณฑ์หลงตาห้าเรื่องไปกราบคารวะท่านเจ้าคณะจังหวัดหกงานศพของท่านเสงใช่ัหยดูสิตรงพ่อใช้ชีวิตของหลวงพ่อนี่เกินคุ้มและเกินว่ากันเมื่อวานถ้าว่าจะใช้อย่างนั้นไปอีก คงไม่ไหวเหมือนกันนะรถคงจะจอดเหมือนกันนะคงจะเครื่องร้อนเต็มถดเหมือนกันนะแต่เหล่าท่านเสงอ๋อเป็นคนที่มุ่งมั่นนะแล้วก็นี่บุญกุศลของท่านกับท่านได้ทาไว้แล้วเนี่ยเพียงพอเลยยี่สิบสามนสะิบพันสาแต่ท่านเสงเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดนะพอสมควร แต่บางทีท่านก็คงทรงจะไม่สบายใจเหมือนกันนะวันหนึ่งท่านถือขาดดกไม้มาคารวะหลวงพ่อที่นี่ที่วัดเน่ยที่โรงน้ําร้อนที่ที่ฉันน้นะํานั่นท่านบุญมีพามาบุญมีทําเต่านะอาจารย์เสียงไม่กล้ามาผมพามานะเรื่องอะไรมากราบคารวะของท่านอาจารย์ไม่สบายใจหลวงพ่ออืมแต่ไม่สบายใจเรื่องไหน เราก็พอรู้นินดๆแต่คงไปสมัยไม่สบายใจเอามาเป็ปไร่มาเรื่องที่ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผมยินดีให้โอโหสิกรรมทั้งหมดไม่มีอะไรในใจของผมให้เจริญเจริญในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ได้วามเพ็ีคุณงามความดีให้สบายใจได้ไม่มีอะไรนะจบกัน พอมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ละมันผ่านไปแล้วผมยินดีหโวสิกรรมนะอา้าวตอนนี้ไปจบกันหลวงพ่อเนี่ยกับพี่ๆน้องๆหลวงพ่อไม่ได้ถือโทษโกรธเครืองกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะเราศึกษาแล้วว่าเวนจะระงับไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเราจองเวนกันอยู่ เกิดชาติหน้าพบหน้าถ้ามันมี อ, นะ อ, อีกเนอ่ยยรลานพันตูกันใช่ชาตินี้ตัวเองชนะแต่พอเกิดมาชาติหน้าเขาเป็นผู้ชนะเพราะทอดต่อไปตัวเองเป็นผู้ชนะนะีสรุกแล้วก็คือพิกความพิกหงายกันเวรจะระงับไม่ได้ถ้าพอมีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่เวรจะระงับได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่จองเวรกัน่ะ เนี่ยเราหลวงพ่อนไ่ไปคิดจองเวนกับผู้ใดใครทั้งหมดให้อโหสิพอานผี่ีน้องๆจจะเป็นใครก็าตามหลวงล้ำหลวงเกินหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้ทั้งหมดแต่ในวันนั้นท่านก็ถือดอกคันดอกไม้มาไม่ใช่คารวะธรรมดานะถ้าว่าคารวะธรรมดามันอีกแนวหนึง่งคารวะเป็นประจำปีเทศกาลเข้าพรรษา แต่นี่เป็นคารวะพิเศษนะท่คงจะมีในใจของท่านสักอย่างหนึ่งบางอย่างที่ทำมาคารวะหลวงพ่อก็เอาแต่เราไม่ได้ถามเพราะในใจของใครของเรานะ่ยใช่ไหมเราจะไปถามยังไงในใจของเขานะ่ะเราก็ยินดีอโหสีกรรมให้แล้วก็จบนะอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีพลั้งเผือกไม่ต้องมีพลังพลาดไม่ธรรมดาไปว่าท่านว่าเรานี่ยแห จากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปของใครของเรานี่แหละ อ, อท่านก็เดยเอาชีวิตถาดขันของท่านมาเพียงเท่านั้นเราก็ไม่รู้จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อีกเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อพูดชีวิตของเราเหมือนกับหมาไล่เนื้อะท่านเปียกเทีย บ, ยบมันทานเมื่อไหร่เมื่อกัดเมื่อนั้นหมามันไล่ไล่เก่งไล่กวางไล่หมูปา่าหรือไล่สัตว์อื่นๆ ลิเสือหนึ่งเหมือนกันมันไล่มันพอเสร็จแล้วมันกรตะคบนี้ก็เหมือนกันพญามัจุราชไล่ไล่คลายชีวิตของเราก็ลักษณะอย่างนั้นละพอถึงวันไหนก็วันนั้นแต่ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่ามันไม่ใช่แต่มีแต่ร่างกายมันมีจิตใจด้วยในตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองนามธรรมคารูปธรรม รูปธรรมคือร่างกายถาดสีดินน้ำลมไฟที่มองกันเห็นคือรูปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจคือตัวรู้สึกนึกคิดตัวรู้รูนะ้ตัวนั้นน่ยในหลักของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญจุดนั้นมากกว่าเรื่องของร่างกายเพราะตัวนั้นเน่ยเหมือนกับหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ตูแล้วรถเหมือนกับรถกับคนขับรถ ในหลักของพุทธศาสนาให้ความสำคัญคนขับรถในโซเฟอร์มากกว่ารถพอรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าคนขับนิสัยไม่ดีกิริยามอาการเกเรเกตุงกินเหล้าออเมายารถคันนี้ก็เสียหายเป๋ไปด้วยเหมือนกันสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทาได้ทั้งหมดเพราะว่าซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยเกเรมันมีมากมายนิสัยของ มนุษย์ชาติคือจิตใจนั่นะเพราะนั้นท่านจึงให้เอาธรรมะเข้าอบรมจิตใจให้จิตใจเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเมื่อคิดดีทำดีพูดดีแล้วนะรถกันนี้ก็ดีไปด้วยเพราะอะไรเพราะโอร์ดีเนะพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้คำในพระบาลีว่มามะโนปุพัง ธรรมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ที่พวกเราเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาหรือพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ารงพงไพยนี่ท่านนั่งภาวนาเนี่ยสรุกหลคือท่านอบรมใจของท่านดูแลใจของท่านดูใจของท่าน เอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่ใจของท่านคือโซเฟอร์นะดูมานั่งมาอยู่ในป่าดงพงไปพอนั่งสมาธิแล้วจะได้ดูโซเฟอร์ได้โซเฟอร์ในิสัยยังไงเป็นยังไงละลานเกเรยังไงถ้าดูเข้าไปแล้วกันมีเอาธรรมะเข้าไปนีพิจารณาอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาตรัยลักเข้าไปพอจากนั้นใจ ของเรารู้เท่ารู้ทัน เ, เห็นรู้แจง้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจกหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอกีกอันนี้คือตามแนวของพุทธะต้องศึกษาจุดนี้นะศึกษานะอันนี้พูดเป็นแนวทางให้ฟังพอวิชาในโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนกอไก่ไมันจะจบถึงทุกอย่างมาได้ เมื่อเรียนกอไขแล้วก็ต้องขอไขขอขวดจนห อ, อนกูกเสร็จแล้วก็ยังผสมสล ะ, ะอัชละอีเข้าไปอีกเอจากนั้นก็ความหมายแต่ละอย่างเข้าไปอีกวิท <c oughs> <อ>ยาศาสตร์ไม่นโลกวิศกี่มแขนงต ก, กคีแขนงวิศวะไม่นโลกวิศวกรรแขนงต ก, กคีแขนงอีกนะหลักของพุทธศาสนาเราจะเรียนว่าพุทธังธรรมังสังขัง ทานศีลภาวนามันจะจบเลยไม่ใช่นะเราต้องเรียนต้องศึกษาในรายละเอียดพธจัพระพุทธศาสนามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจอย่างไรจุดสูงสุดของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรคือนิพพานก่อนที่จะเดินถึงนิพพานนั้ท่านท่านทำอย่างไงเนีย่ยเหมือนกับว่า จุดสูงสุดของมนุษย์หนึ่งคืออะไรถ้าว่าเป็นชาวบ้านเขาก่อนคือนายกรัฐมนตรีสูงสุดทางฝ่ายตําแหน่งแล้วก็เป็นผู้ผมีเศรษฐีมีเงินมากที่สุดอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของชาวบ้านนะทางยศทางตําแหน่งจากนั้นก็ต้องการชื่อเสียงอีกจะทํายังไงเมืองชื่อเสียงบริสุทธ เป็นที่ยกย่องเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายอะไรยังไปแล้วจะถึงจะมีลาบมียศมีชัสระเสิญแล้วก็จามมีความสุขไหมถ้าาว่ามีลาบขึ้นมามีแต่ทุกข์ในจิตในใจน่าเศร้าเหงาหงอยมีลาบมียศมีสัรเสริญขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้อันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกัน มันต้องหามีความสุขด้วยทั้ง4อย่างนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติเนี่แหละวิธีการเรียนวิธีการศึกษาในจุดนี้เนะี่ยแหละของพุทธศาสนานะเราจะเรียนเราจะศึกษาอย่างไรจุดสูงสุดของพุทธศาสนานะคือ น, นิพพานจุด วิชาทางโลกของเขาเนี่ยสูงสุดคือลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนะมีอยู่สี่แต่พระพุทธศาสนาคือนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้คือความสุขความปรารถนาของพุทธนะอันนี้เราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะได้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนนทำอย่างไร ท้งโลกเขาก็ต้องค้นคว้าศึกษาแลตั้งแต่เรียนหนังสือกอไก่นับถึงเอบการศึกษาทาั้งโลกแต่หลักของพุทธศาสนาจะทำยังไงจึงจะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถึงพระนิพพานตามแนวแถวที่พุทธพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันนี้นะอันดับแรกก็คือให้ทานรักษาศีลภาวนา นั่งสมาธิทาจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวักิเลสเน่ยอันนี้แหละคือสรุปแล้วก็คือต้องศึกษาต้องศึกษาทั้งทั้งคดีโลกและคดีธรรมถ้าเราศึกษาตามคดีโลกและคดีธรรมให้ทีทวนทองแท้แล้วนั่นนะอเราจะรู้ได้ว่าอคดีธรรมเนี่ยมีจุดหมายมีมีจุดหมายอย่างไรคดีโลกมีจุดหมายอย่างไร คดีทำที่เราได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็คือตัดกิเลสพรนันกรที่จะตัดกิเลสจุดนั้นได้เนอะมันต้องไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเรียนมามากต่อมากเหมือนกันพร ะ, ะอาหานตสาวกก็เหมือนกนนันเราจะไปเรียนประเดียวประดาวแล้วจบแต่แปลว่าเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีเก่าแก่จริง ที่ได้สั่งสมมาแล้วพอเรียนก็เข้าใจเลยเหมือนกับ น, นักเรียนหัวถุยกับ น, นักเรียนหัวหัวบไบนะหัวดีนะประเด็นพวกเราเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหัวประเภทไหนเอาเถอะเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆของเรานะ่ะไม่มีใครที่จะทำให้เราได้เพราะบารมีของแต่ละคนเป็นของใครของเรานะบางสิ่งบางอย่างทับแทนกันได้ แต่บางสิ่งบางอย่างทําแทนกันไม่ได้ทําแทนกันได้กันเนี่ยนะขันใครหนักก็ไปแบกแบกช่วยกันทําการงานช่วยกันไปแบกไปหามช่วยกันแนวความคิดช่วยกันในช่วยกันได้แต่ถ้าเราหิวข้าวหิวน้ํา่ะเอาไปกินข้าวแทนเรานะไปกินน้ําแทนเรานะ <c oughs> เขากินเขาก็อิ่มเขาน่ะ ถ้าว่าข่าโง่ข้าไม่ได้รู้่ไปไปเรียนหนังสือแทนข่าไปเขาเรียนกขก็ได้เขาเนี่ยมันแทนกันไม่ได้มันมีสิ่งที่แทนกันไม่ได้ก็มีนสิ่งที่แทนช่วยแทนทดแทนกันได้ก็มีเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องทําเองเรื่องสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนจะให้คนอื่นทำแล้วจะมาถึงเราเน่ยมันไม่ได้นะบางสิ่งบางอย่างนะ เราต้องทำเองคิดเองทำเองมันเป็นบุญบารมีของตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะ เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธ ศ, ศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วจะตั้งอยู่ในความประมาทสรบปแล้วก็คือ น, นะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างทที่หลวงพ่อใช้นะเมื่อวานหลวงพ่อใช้ชีวิตคุ้มค่าจริงๆเงหนื่อยแอกเลย อทำถ้ามันเป็นถ้าเป็นรถก็แปลว่าใช้รถวิ่งตะพัดตะเพรเลยขึ้นห้วยลงเขาเหมือนกันคุ้มค่าในการใช้รถเหมือนกันแต่ใช้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเดี๋ยวรถรถก็ยอมยอมเหมือนกันนะยอมแพ้เหมือนกันใช้ไม่ได้นานเหมือนกันนะพอใช้ปัทุกปัตาจนเกินไปรถมันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะเราใช้ไม่ไม่บัญญะบบรรยังนะ ถ้าเราใช้โดยความระมัดระวังรถคันนั้นก็อยู่ได้นานอันนี้หลวงพอ่อเจ้าของรถหลวงพอ่อเขคิดเหมือนกันนะ้ามีจะทนุถนอมทะนุถอนถอมอย่างเดียวไม่ใช้มันจะเลยรถคันนี้ก็เกิดมาทั้งทีใช้ใช้ไม่คุ้มค่าใช่ไหมละ่ะต้องต้องบางทีบางอย่างบางครั้งเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าแต่ใช้ให้มันบ่อยๆมากๆเกินไปมันก็จะพังเอาเนะเราก็ต้องถอยๆต้องตนุถนอมมันด้วยนะ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราแต่ละท่านการใช้รถใช้ร่างกายข อ, ของตนเองพอที่มีจตุนุษถนอมอย่างเดียวถูกออกไปถูกแดดถูกฝนนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเราต้องสู้ปล่อยมันทางานไปบ้างเหมือนกันแต่ในทางนั้นอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะ แต่พวกเราก็รู้จักของใครของเราเหมือนกันนั่นแหละพอเราใช้ชาติขานของตนเองจะใช้แบบหลวงพ่อใช้เนี่ยคงจะพวกเราก็คงจะไม่ไหวบางคนนะแต่บางคนโอ้หลวงพ่อใช้เพียงแค่นัน้นมาบทมาว่าผมมากกว่านั้นอาจจะเป็นกน่านั้นอย่างนั้นก็ได้นะรับพรในทันีนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายรับพร